ทำและทัศนาชีวิตผมส่าสินีนทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องที่กําลังอยู่กับท่านผู้ฟังอยูก่ก็คือเรื่องพระรันตนาฏใจคุณของพระ ร, ตราตนาฏใจการถึงพระรันตนาฏใจเป็นการไหวครูตามที่ได้เรียนให้ทราบไว้ทั้งแต่ครั้งแรก เมื่อวานนี้ผมคุยครับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีความน่าัิ จ, จั์หลายประการแล้วก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องการกิริยาตามที่พระองค์จัดไว้การกิริยาก็คือการนิพพานของพระพุทธเจ้านะครับเพราะเป็นความเดือดร้อนของคนมากที่ว่าเป็นความของเดือดร้อนของคนมากก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกมีพระนามหนึ่งว่าพระโลกก น, นานและเสมือนน้าเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาพรึกษาเป็นที่พึ่งของหมู่นกเมื่อพระองค์นิพพานไปโลกก็เหมือนขาดที่พึ่งจึงเดือดร้อนเพราะความอาลัยรักในพระองค์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระองค์ได้ทรงเตือนไว้ว่า ทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นสิ่งแทนพระองค์เมื่อพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้วใครเห็นทำคนนั้นชื่อว่าเห็นพระองค์พระธรรมวินัยเป็นสิ่งแทนพระองค์ถ้าเผื่อป จ, จปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยก็ชื่อว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ปฏิบัติองค์พระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าโดยในยานีก็ไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับไม่ใช่พระพุทธรูปที่เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดเอาไว้ว่าให้พระพุทธรูปเป็นสิ่งแทนพระองค์เพราะว่าประการหนึ่งก็คือว่าในสมัยนั้นในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่ พระพุทธรูปยังไม่มีพระพุทธรูปมามีอาระยะหลังหลายร้อยปีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลังจากพระพระทุทธเจ้านิพพานแล้วหลายร้อยปีที่ได้ก็ทําพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าพุทธานุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์สำหรับเป็นเครื่องะระลึก ถ, ถึงพระพุทธเจ้า เป็นสื่อสำหรับนำใจของเราไปถึงพระพุทธเจ้าแต่ที่นี่พอนานเก้าก็ค่อยๆเพียเพ้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปจนถึงกับว่าเป็นสิ่งคลั่งละสักศินับถือพระพุทธรูปเป็นเหมือนเทวรูปของพระให้พระพุทธเจ้าปางนั่นปางนี้ปางโน้นแล้วก็ไปปิดทองกันจนเปลอะไปหมด พระพุทธรูปองค์ไหนที่เชื่อกันว่าครั้งใรศักดิ์สิทธิ์ก็ไปปิดทองกันจนเปรอะไปหมดอนะความงามของพระพุทธรูปซึ่งเป็นศิลปะนะก็หายไปด้วยหายไปหมดก็ด้วยความเชื่อที่ว่าจะอํานวยผลที่เราต้องการหายได้ที่จริงถ้าเพื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งทั้งหลายเราต้องทําเอง ปลาสิ่งทั้งหลา ย, ยาจะเป็นผลดีหรือผลร้ายเราต้องทำเองพระพุทธเจ้าทําให้ไม่ได้แล้วก็บรรดาลให้ไม่ได้แต่ทีนี้เป็นความเชื่อในเรื่องความกลางและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เวลานี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เรียกพระพุทธเจ้าเป็นหลวงพ่อเรียกพระพุทธรูปเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี้หลวงพ่อโน้นศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลย แล้วก็ไปบนบานสาั่นกล่าวขอผลประโยชน์อขอหวยขอเปอร์ขออ้อนบอลขอขอนั่นขอนี่ให้ท่านวุ่นวายไปหมดเลยอท่านลองนึกดูว่าถ้าตัวท่านเองเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีคนเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นแล้ ว, วันหนึ่งเป็นพันพันคนมาขอมาขอนั่นมาขอนี่แล้วท่านจะเป็นยังไงท่านจะทําอย่างไงถ้าเป็นตัวท่านเองท่านไม่เห็นใจพระพุทธรูปกันบ้าง ไม่สงสารท่านบ้างหรือว่าท่านจะอยู่อย่างไรว่าเราก็ personify uh, personification person ทำให้ท่านเป็นบุคคลเสียแล้วคล้ายๆว่ามีความต้องการมีความปรารถนามีความให้สุขให้ทุกขอะไรแก่คนได้ให้คุณให้โทษแก่คนได้เหมือนกับคนที่ยังมีกิเลสแล้วก็เรียกพระพุทธรูปเป็นหลวงพ่อ เออเรียกพระสงฆ์เป็นหลวงพ่อด้วยเออึงพระพุทธเจ้ามาเท่ากับพระสงฆ์ดึงพระพุทธมาเท่ากับพระสงฆ์ก็แล้วก็ยกพระสงฆ์ขึ้นไปเท่ากับพระพุทธเออเรียกหลวงพ่อเท่ากันท่านลองนึก ด, ดูผมไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกท่านจะสมัครใจที่จะเรียกก็ตาใจสมัครใจที่จะเรียกก็ตามใจแต่ว่าพูดให้ได้ยินได้ฟังกันไว้บ้าง ว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่เราเรียกพระพุทธรูปว่าหลวงพ่อแล้วก็เรียกพระสงฆ์ว่าหลวงพ่อนะไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมดาแต่ว่าพอเรียกพระสงฆ์ว่าเป็นหลวงพ่อแล้วก็เรียกพระพุทธรูปว่าเป็นหลวงพ่อด้วยก็เสมอกันเท่ากันลองลอ ง, ลองนึกดูว่าเราทําอะไรกันอยู่วันหนึ่งผมโทรศัพท์ไปถึงอ ที่ทำงานราชการแห่งหนึ่งสถานที่ราชการแห่งหนึ่งด้วยกิจธุระที่นัดหมายกันไว้แล้วผู้รับสายก็บอกว่าคนที่ผมจะพูดด้วยไปงานทําบุญวันเกิดหลวงพ่อผมก็ถามว่าหลวงพ่อไหนเขาบอกว่าหลวงพ่ออยู่ที่อยู่ที่ลานอ๋อก็อรู้ละก็คือพระพุทธรูป พระพุทธโลกที่ยืนระงัอยู่ที่ลานก็ไปทําบุญวันเกิดหลวงพอ่อลองนึกดูเราทําอะไรกันอยู่เกี่ยวกับพระพุทธเจา้าแล้วก็ยังมีพระเล็กพระน้อยอะไรต่ออะไรทําท่านมาขายทํานั่นทนํานี่อะไรตามความต้องการของเราเดี๋ยวครั้งหน้าผมยังมีพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกอตอนที่เกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับการทำพระพุทธรูปอะไรข้างหน้าก็คงมีนะฮะก็ตอนนี้พูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าขอให้คิดให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้านั่นคือพระธรรมวิ น, นัยไม่ใช่พระพุทธรูปจะนับถือพระพุทธรูปก็นับถือเธอแต่ว่าอย่าไปเนี่ยวให้ท่านต่าลงแต่จะให้ท่านมาทาอะไรตามใจคนมีกิเลส อะคนมีกิเลสมีตัณหาก็ต้องการอะไรสารพัดอย่างอะที่ต้องการที่จะไปขออะไรจากท่านสิ่งที่ท่านให้ไม่เอาสิ่งที่ท่านให้ไม่เอาสิ่งที่ท่านให้ก็คือว่าให้ธรรมะอท่านประทานมารดาศที่สําคัญที่สุดไว้ให้แก่โลกแก่ชาวโลกคือพระธรรมไม่ค่อยเอาแล้วก็พูดแาลว่าคน ไทยไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่พึ่งทางใจก็เลยไปพึ่งนั้นพึ่งนี่พึ่งโน้นอะไรกันไปตามที่มงคลตึ่นข่าวว่าพึ่งากันมาเป็นพักๆเดี๋ยวก็สิ่งนั้นเดี๋ยวก็สิ่งนี้เดี๋ยวก็สิ่งโน้นก็ไม่เห็นพึ่งได้จริงสักอย่างแต่สิ่งที่พึ่งได้จริงคือตัวเองแล้วก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นั่นแหละเป็นสิ่งที่พึ่งได้จริงโดยที่ว่าตนปฏิบัติตามธรรมเอาธรรมเข้ามาไว้ในตนอย่างนั้นก็พึ่งได้แต่ก็ไม่พึ่งแต่ก็บนมากไปหน่อยหรือเปล่าครับถ้าก็ก็เป็นอย่างนี้ครับทีนี้ก็ต่อไป ทรงเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้านะครับว่าทรงเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเลิศกว่ามนุษย์แลสัตว์ทุกหมู่เหลา่าอันนี้ในพระสูตรต่างพระสูตรเช่นในอักขปสาทสูตรสูตรที่ด้วยความว่าด้วยความเลื่อมใสอันเลิศว่าได้จัดไปไหนที่นั้นว่าบรรดาสัตว์ทางไลย จะมีกี่เท้าก็ตามสัตว์ทั้งหลายพระธรรมคตเจ้าเป็นเลิศความเลื่อมใสในพระธราคตนี้เป็นเลือดหรือว่าบรรดาบททั้งหลายบทสคือสัจจะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดหรือประเสริฐที่สุดคืออริยสัจสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาทางทั้งหลายทางมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดา สิ่งที่มีเท้าทั้งหลายเอาใ ห, ให้จำกัดก็ามาว่าสองเท้านิพพานั้นจะจักขุมาฟัรดาสิ่งที่มีสัตว์ที่มีสองเท้าทั้งหลายพัฒ ถ, ถาคตผู้มีจักสุประเสริฐที่สุดว่าเลิศกว่ามนุษย์และสัตว์ทุกหมู่เหล่าว่าไม่เพียงแต่มนุษย์และสัตว์เท่านั้นนะครับแม้แต่เทวดาทุกชั้นไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ไม่ว่าจะโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาหรือวิมุต วิมุตติญาณทัศนะคือความรู้เห็นในวิมุตต์แระทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระปาะฟองไข่คืออาวิชาออกมาได้ทรงเปรียบพระองค์ว่าเป็นลูกไก่ตัวแรกของโลกเปรียบมันลูกไก่ตัวแรกของโลกที่เจาะกระปะ๋อของฟองไข่คืออาวิชาออกมาได้แ ล, แล้วทรงสั่งสอนแนะนำให้ผู้อื่นกระทาตาม ว่าอวิชานี่เป็นเป็นเหมือนกับเป๋องฟองไข่ของลูกไก่ถ้าเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาไม่ได้มันโผล่ออกมาไม่ได้มันก็ตายโคมตายโคมเขาเรียกว่าตายโคมคือไข่เน่าครับไข่เน่าตายในฟองถ้าเป็นไข่ก็คือไข่เน่าคนที่เจาะกระป๋องฟองไข่คืออวิชาออกมาไม่ได้ก็เหมือนกับลูกไก่ที่ตายตายโคม ที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระปาะฟองไข่เพือวิชาออกมาเห็นโลกเห็นแสงสาว่างของโลกแล้วก็ประทานแสงสาว่างไว้ให้ลกทรงแนะนำสัง่งสอนให้ผู้อื่นเจาะกระปาะฟองไข่ออกมาตามออกมาตามออกมาด้วยนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเทวดาทุกชั้นพรหมทุกชั้น ก็ไม่มีใครเลิศ ก, กว่าพระองค์มนุษย์สภูตังสัมพุตททังอัตดันตังสมาหิตังเดวาปินังนมัสสันติพระพุทธเจ้านั่นพระองค์นั่นแม้จะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ก็ได้เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบมนุษย์สภูตังสัมพุตังอัตดันตังทรงฝึกพระองค์ดีแล้วสมาหิตังมีพระหฤไทยมั่นคง เทวาปีนางนามัสสันติแม่เทวดาทั้งหลายก็นมัสการนอบน้อมพระองค์ไม่เป็นแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม่เทวดาก็นอบน้อมพระองค์ด้วยคุณธรรมโดยคุณธรรมทรงเป็นวิสุทธิเทพทรงเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาโดยโดยความบริสุทธทิ์ทีนี้ก็ประการสุดท้าย ่ว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นทําให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาแกม่มนุษย์หาประมาณมิได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นต้นคบเพลิงที่ชูให้สว่างโล่ขึ้นในโลกเป็นพระองค์แรกลองนึกภาพดูนะครับลองนึกภาพดูพระองค์ทรงเป็นต้นคบเพลิงที่ชูให้สว่างโลคขึ้นในโลกเป็นพระองค์แรก พระสาวก็จุดต่อต่อกันไปและการเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทําให้เกิดอนุตตริยะหกเป็นตนขึ้นโดยอนุตตริยะหกก็คือทัศนานุตตริยะการเห็นที่ประเสริฐสวรานุตตริยะการฟังที่ประเสริฐลาภานุตตริยะการได้ที่ประเสริฐสิกานุตตริยะการศึกษาที่ประเสริฐ ปาริจริยานุตริยะการบำรุงบำเรอที่ประเสริฐอนุสตานุตริยะการระลึกที่ประเสริฐแล้วบางคนก็ไปเพื่อจะเห็นช้างบ้างเห็นม้าบ้างไปเพื่อจะเห็นฟุตบอลบ้างเพื่อจะเห็นมวยบ้างเพื่อจะดูมวยบ้างดูฟุตบอลบ้างดูอะไรต่ออะไรดูช้างดูมา้าดูเงินดูทองดูแก้วดูอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกนั่น ทั่นไม่ใช่ทัศนานุจริยะไม่ใช่การเห็นที่ประเสริฐการเห็นที่ประเสริฐต้องได้เห็นพระธถ า, าคกฏหรืสาวกของพระธถ า, าคกฏผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจํากัดเอาไว้เสร็จนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเผื่อไม่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบก็ก้ไปไม่ใช่ทัศนานุตริยะเห็นแล้วไม่เป็นมโนภาวนิญาไม่เป็นที่จเจริญใจ อณาสาวกของพระตถ า, าคต์นี่ต้องเห็นแล้วเป็นที่จเจริญใจจึงจะเป็นการเห็นที่ประเสริฐชวนานุตตริยะการฟังที่ประเสริฐบางคนก็ไปฟังดนตรีไปฟังอดีสีตีเป่าไปฟังอะไรต่ออะไรนั่นไม่ใช่การฟังที่ประเสริฐนะการฟังที่ประเสริฐคือการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมของสาวกของพระพุทธเจ้า นั่นเป็นการฟังที่ประเสริฐฟังแล้วดับทุกได้ฟังแล้วทำให้มีความทุกน้อยลงการนุจริยาก็ได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าการศึกษาที่ประเสริฐเรื่อยไปปาริจาริยานุตริยาการบำรุงบำเรอที่ประเสริฐก็คือบำรุงพระเถาคตเจา้าที่เป็นผู้พ้จากกิเลส ในสาวกของพระธถาคตผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบอนุสตานุตริยะก็เหมือนกันอนุสตานุตริยะระลึก ล, ลึกถึงธรรมระลึกถึงพระธรรมกฏผู้เสิเกิเลสแล้วมันทําให้ระลึกถึงแล้วทําให้เราสบายใจทําให้เรารู้สึกอยากทาตามดําเนินตามคนดีๆนี่คนดีๆพระดีๆเป็นแต่เพียงนึกถึงเราก็ปีติ ปีติใจมีความสุขใจเชิญใจแม้ยังไม่ได้พบไม่ได้ฟังท่านพูดไม่ได้เห็นตัวท่านไม่ได้เห็นอาจารยะของท่านที่ลเมียดละไมนมนวนเย็นกายเย็นใจเพียงแต่ละลึกถึงก็มีให้ปีติประโมทได้อนุสตานุตลีย์การระลึกที่ประเสริ